สีขาวเรื่องภูเขาดินปั้นนาราชาอาณาจักรแห่งหนึ่งพระราชาแห่งเมืองนั้นไม่มีราชทายาทสืบทอดบัลลังก์พระชนที่เพิ่มขึ้นทำให้พระราชาทรงกังวลถ้าไม่ทรงแต่งตั้งใครสักคนขึ้นเป็นราชทายาท ส, สงครามภายในคงอุบัติขึ้นในอนาคตพระราชาทรงนึกถึงพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์โบราณพิธีกรรมหนึ่ง เป็นพิธีกรรมที่พระราชาผู้ไร้หน่อเนื้อเชื้อไขจะกระทาเพื่อขอประทานรัชทายาทจากสมสวรรค์แต่พิธีกรรมนี้ช่างโหดร้ายนักเพราะต้องส่งเด็กชายหนึ่งคนคืนแก่สวรรค์ด้วยการเผาทั้งเป็นเพื่อแลกกับการจุติของรัชทายาทหนึ่งพระองค์อันที่จริงพระราชาไม่ต้องการทำเช่นนั้นแต่พระองค์ก็ไม่มีทางเลือกสามวันต่อมา ข่าวนี้จึงกระจายสู่พ ล, ลเมืองของพระองค์เพื่อขอเด็กชายคนหนึ่งจากครอบครัวที่เสียสละแล้วพระองค์จะทรงพระราชทานเงินทองจํานวนมหาศาลให้แก่ครอบครัวนั้นเป็นการตอบแทนแต่กรณนั้นก็ยังเป็นการยากที่จะมีครอบครัวใดยอมเสียแก้วตาดวงใจของตนไปเพื่อแลกกับเงินทองเหล่านั้นห่างไกลออกไปยังชายขอบของอาณาจักร มีครอบครัวคนยากครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมโกโรโกโสกลางป่าลึกครอบครัวนี้มีลูกชายสามคนขัน ค, คนเป็นพ่อได้รับทราบข่าวจากในวังก็บังเกิดความโลภวิปลิตด้วยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาคนผู้นี้ไม่เคยได้รู้จักความสุขสบายเลยสักครั้งและการที่เขามีลูกชายถึงสามคนก็ทำให้ตัดสินใจอะไรอะไรได้ง่ายขึ้น ข้าจะขายลูกให้ทางการคนหนึ่งเขาประกาศกับภรรยาเธอถึงกับกรีดร้องเมื่อได้ฟังความนี้จากปากสามีแกมันบ้าไปแล้วแกจะเอาลูกไปให้เขาเผาทั้งเป็นหรอเรามีลูกตั้งสามคนขายไปสักคนจะเป็นไรไปสามีพูดอย่างเห็นแกนได้ขอแค่มีเงินทองกองนั้นเราก็จะได้อยู่อย่างสบายแล้วแกไม่อยากย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองหรือไง ไม่อยากมีบ้านหลังใหญ่ๆไม่อยากมีค่าท่ามาปรนิบัติรับใช้หรือไงแต่นางชักลังเลอะที่จริงนางเองก็ฝันถึงสิ่งนั้นมาตลอดชีวิตเราให้มันเกิดมามันเป็นลูกก็ควรตอบแทนเราบ้างอีกอย่างเสียไปหนึ่งคนก็เกิดใหม่ได้อีกจะกลัวอะไรนักหนาภรรยาของชายผู้นี้ เป็นแม่ที่รักลูกแต่ก็รักสามีมากกว่าอีกทั้งขาดเขวบเบาปัญญาดังนั้นแม้จะไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดนี้แต่นางก็ยอมโอนอ่อนผ่อนตามโดยง่ายแล้วแกคิดจะขายลูกคนไหนนางถามเสียงแผ่วหน้าซีดขาวราวกระดาษฟอกชายผู้เป็นสามีนิ่งคิดคู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับว่าลูกคนโตมันทางานได้แล้วข้าจะเก็บมันไว้ ในห้องนั้นมีลูกชายคนเล็กอยู่ด้วยอีกคนเด็กชายตัวน้อยเพิ่งจะอายุได้สามขวบหน้าตาน่ารักน่าชังกำลังนอนหลับปุ๋ยอยู่ข้างๆแม่ชายผู้เป็นสามีปลายตามองอย่างครุ่นคิดฝ่ายภรรยาเห็นดังนั้นก็รีบอุ้มลูกขึ้นมากอดแนบหกร้องบอกว่าไม่ได้นะลูกคนนี้ข้ารักเท่าชีวิตถ้าคขาตายข้าก็อยู่ต่อไปไม่ได้ชายผู้เป็นสามีขบกราม ความจริงลูกคนเล็กทำประโยชน์ได้น้อยที่สุดควรจะเป็นเด็กคนนี้ที่ต้องส่งเข้าวังแต่ในเมื่อภรยาพูดออกมาเช่นนั้นเขาจึงเลิกหวังไม่เป็นไรยังเหลือลูกชายคนกลางวัย1ิบสองอีกคนในที่สุดเด็กชายวัยสิบสองขวบก็ถูกพ่อแม่ของเขาขายให้แก่ทางการไประหว่างรอเลิกประกอบพิธีกรรม เด็กชายถูกขังอยู่ในคุกดินก็ เ, เป็นเด็กเงียบขรึมไม่พูดไม่จาไม่ร้องไห้หาพ่อแม่หรือแสดงอาการหวาดกลัวต่อชะตากรรมอย่างที่เด็กวัยเดียวกันควรจะเป็นครั้นเรื่องนี้ล่วงรู้ไปถึงพระราชาพระองค์ก็ทรงแปลกพระทัยมากจึงเสด็จมาที่คุกดินเพื่อพูดคุยกับเด็กชายคนดังกล่าว เมื่อเสด็จมาถึงทรงเห็นว่าเด็กชายกำลังกอบเอาดินโคลนและทรายที่มีอยู่ในคุกมาผสมกันเพื่อก่อปั้นเป็นภูเขาลูกเล็กๆข้างๆกันนั้นทรงสังเกตเห็นว่ามีกองดินทรายที่ปั้นเป็นภูเขาเสร็จแล้วสองลูกถูกทำลายทิ้งไปพระราชาทรงสนพระทัยทันทีตรัสถามเด็กชายว่าเจ้าเด็กน้อยเจ้ากำลังทำอะไร เหตุใดเมื่อปั้นภูเขาได้ถึงสองกองแล้วจึงทําลายทิ้งไปเสียทั้งหมดเด็กชายเหลือบตาขึ้นมองพระราชาแล้วใช้มือตบผิวภูเขาลูกที่สามให้เนียนเรียบยิ่งขึ้นเจ้าจะทําลายภูเขากองที่สามนี้ด้วยหรือพระราชาตรัสถามต่อโดยไม่รอฟังคําตอบแรกเด็กชายตอบว่ากองนี้ไม่ทําลายพระราชา ย, ยิ่งสนพระไทย เหตุใดทำลายภูเขาสองกองแรกทิ้งแต่เก็บกองสุดท้ายไว <_ C> ้เด็กน้อยไม่มีท่าทางสะทกสะทานตอบกลับพระราชาด้วยสีหน้าและท่าทางราบเรียบว่าภ <_ C> ูเขากองแรก <_ C> เป็นตัวแทนของพ่อแม่ซึ่งมีหน้าที่ดู แ, แลลูกให้เจริญวัยด้วยความรักแต่พ่อแม่ของข้ากลับทำลายชีวิตลูกด้วยการส่งข้ามาตายตั้งแต่ยังเด็ก เมื่อพ่อแม่ไม่มีความรักความห่วงหาอาทรมอบให้ลูกสายสัมพันธ์ฉันนั้นก็ขาดข้าไม่โกรธแต่ต้องปล่อยวางจากพวกเขาจึงทำลายภูเขากองแรกเสียคำพูดที่ฉลาดเฉลียวเกินวัยทำให้พระราชาทรงนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตรัสถามต่อว่าแล้วภูเขากองที่สองละ่ะเด็กชายยิ้มเย็นๆตอบว่า กองที่สองคือพระองค์เรานอะหรือเราเกี่ยวอะไรด้วยเพราะพระองค์คือพระราชาพระราชามีหน้าที่ปกป้องประชาชนของพระองค์ให้อยู่ดีมีความสุขแต่พระองค์กลับจับฆ่าซึ่งเป็นประชาชนตัวเล็กๆและอ่อนแอมาฆ่าอย่างไรเหตุผลค่าไม่ศรัทธาพระองค์อีกต่อไปค่าจึงทำลายภูเขากองที่สองทิ้ง คำพูดนี้ทิมแทงพระไทยของพระราชาจนสาหัสสากันพระพักของพระองค์ชาชื่อจนตรัดอะไรไม่ออกส่วนภูเขาลูกสุดท้ายซึ่งค่าไม่ทำลายนี้เด็กชายพูดขึ้นเองโดยไม่ต้องรอคำถามคือความหวังอันสูงสุดที่ข้ายังคงศรัทธานั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้าเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้ข้ารอดเพราะความดีที่ข้าเพียรทำมาโดยตลอด สิ้นคําของเด็กชายพระราชาก็ถึงกับซุดนั่งอย่างหมดแรงทรงคว้าตัวเด็กน้อยมากอดและหลังน้ําทะเนตรด้วยความประทับใจเด็กชายทําให้พระองค์เข้าใจอะไรๆ ไ, ได้ท่องแท้ก่อนที่จะตัดสินใจทําสิ่งร้ายกาจกับประชาชนผู้เปรียบเสมือนลูกๆของพระองค์ใช่ละ่ะลูกๆพระองค์มีรัชทายาทแล้วเจ้าเป็นเด็กชาวบ้านธรรมดา แต่กลับมีความคิดที่ฉลาดล้ำลึกกว่าเรานะักเราไม่ฆ่าเจ้าแล้วแต่จะรับเจ้าเป็นบุตรบุญธรรมและแต่งตั้งให้เจ้าเป็นรัชทายาทสืบราชบัลลังก์ต่อจากเราเมื่อสิ้นคำตรัสของพระราชาฉับพันนั้นก็เกิดลํำแสงสีทองประหลาดจากฟากฟ้าส่องสว่างว่าไปทั่วเมืองอันเป็นนิมิตหมายที่ดีซึ่งบอกให้รู้ว่าสวรรค์เห็นด้วยกับการตัดสินใจของพระองค์ทุก ประการเธอทั้งหลายในสังคมที่เจริญแล้วมักตั้งคําถามเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือถ้ามีแล้วอยู่ที่ไหนใครเคยเห็นบ้างว่าหน้าตาเป็นอย่างไรความคิดโง่เง่าเหล่านี้ทําให้คนรู้จักกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้อยลงและยากเย็นขึ้นจนในที่สุดก็ไม่มีใครเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเพราะพวกเขาไม่เคยเห็น ถ้าเธออยากพิสูจน์ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือไม่ก็ให้พิสูจน์โดยละการใช้ดวงตาแต่จงใช้ความเชื่อมั่นและศรัทธาในผลแห่งกรรมดีเป็นจุดเชื่อมต่อความศักดิ์สิทธิ์มักสถิตคู่ความดีเสมอถ้าเธอทำดีมากพอสักวันหนึ่งเธอจะค้นพบความศักดิ์สิทธิ์นั้นเอง